ในวิธีการของธรรมาตื่นขึ้นมาต้องทำอะไรก่อนโยมโจ๋จำได้หรือเปล่าตื่นึนมาต้องทำอะไรก่อนออกกำลังกายไปคายห้อยสวนเนี่ยพาพระยมออกกำลังกายช่วงแรกก็ชนะุดของอมาม่าตบหลังตบไหล่ชุดที่สองก็เด g ไฟที่เบ็ดที่ไล่ห้าท่ายยมโจ๋ยังทำอยู่ไหมไม่ได้ทำแล้ว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 น่นเห็นไหมอูประกอบดีกว่านี้น้อยมานั่งเป็นหางเครื่องอยู่ข้างหน้าหมามาเดินสวยกว่าเลยงยายนิดน้อยพื่นไม่เหลืออะไรนิดน้อยปิวไปทางอื่นหมดละนะเราจะบอกว่านั่งข้างหน้าทำให้หลวงพอ่อติดอารมณ์แน่เลยเราไปนั่งข้างหลังลูกไปนน่นลูกไปนี้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 จัดการได้แทนที่จะนอนกิ้งไปกิ้งมาฟุ้งซ่านใช่ไหมเราก็เจริญนานาพจนิกรมนดษย์รู้ให้ลมหายใจเข้าออกอยู่งนั้นนะถ้ามันไม่หลับก็ดีเราจะได้จดเรจริญเจริญนานาปณสติทั้งคืนแต่ไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวนี้แค่นาทีเดียวสองนาทีไปเลยนะมันรู้มันรู้ทางของมันดึงไอ้ใจมาอยู่กระลงให้ใจปั๊บนี่ม้อยหลับไปเลยไม่ต้องฝันเลยนะตื่นมาอีกทีก็ที่สามค่งก็ออกกาลังกายต่อ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 ไม่ไม่กวนกันไม่ทะเลาะกันอย่างที่แล้วมานะบางครั้งเราเจ็บกายมันทะลุจิตเจ็บจิตทะลุกายอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างแยกรูแยกนามไม่ออกต่อมาพอแยกรูปเอาอ๋กายก็เป็นเรื่องของกายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จัดการมันตามเรื่องของกายจิตมันคิดก็เรื่องของจิตก็จัดการความคิดออกนี่เขาเรียกว่ารูทำนามทำแต่แรกตอนแรกจะรู้รูปนามคือความรู้สึกทางกายความไม่สบายทางกายเรียกว่ารู้รูปนามซะก่อนต่อมาก็รู้นามรูปก็รู้ความคิด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 สำ ม, มินชิเตเอาเข้ามาปาสาลิเตเหยียดมือออกเวลาคุณไปหยิบแก้วน้ําเนี่ยปาสาลิเตใช่ไหมเขาก็ดึงเข้ามาอะไรคูเข้ามาสั ม, มินชีเตใช่ไหมปีเตขายยเตสายยเตมีความรู้สึกดูทุกข์พร้อมในการดื่มจิ้มอันนี้ปีเตขายยีเตสายิเตสัมประชานากาลีมีความรู้สึกตัวพุกข์พร้อมในการ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 ข้าเตจิเตนิสินเนสุเตชากริเตตุนฮีภาเวสัมปชานาการีโหติขันที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปในการมาในการหยุดในการพูดในการนิ่งในการหลับโอ้อะไรยขนาด น, นั้นละเอียดขนาด น, นั้นเลยเนาะการพูดเนี่ยมาก็รู้ว่าปากมันพยโยขึ้นปพยโยลงลิ้นมันกระโดขึ้นกระโดลงรู้สึกภาพตาปากหายใจเนี่ย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 นี่เรียกว่าสมัมมาทิฏฐิต้องรู้อย่างนี้ถ้าการยามาการยานามิตรมาอธิบายให้เราไม่รู้อย่างนี้เราเอาไปทําไม่ได้ก็ไม่ใช่การยานามิตรของเราหรือได้อาจารย์คุณได้คุณครูคบาอาจารย์เป็นกามิตรแล้วเรายังไม่สามารถน้อมนําความเป็นกริย า, ามิตรเข้าไปสู่ในกายกใจของเราเราก็ไม่เป็นก า, า, นามิตรของตัวเราเองไม่ได้เดี๋ยวคุณออกจากที่นี้คุณก็ลืมใช่ไหมก็นึกได้ตอนเทศ่อาจามาพูดนี่ยพ่อออกไปที่ก็ลืมแล้วแสดงว่าเราได้ก า, า, ามิตรของตัวเองหรือยัง